ก็จะพูดเรื่องน้าปัสวะสัหน่อยละทีนี้นะอย่างน้อยก็เล่าเรื่องเรื่องต้นเหลุของโรคคลาเจ็บไปเป็นองค์รวมไปทั้งหมดแล้วคราวนี้ก็มาพูดถึงน้าปัสสาวะสักหนึ่งเผื่อว่าบางคนจะเปลี่ยนใจมาใช้ประโยชน์กันเขาบางคนสายหน้าไม่เอาไม่เอาบางคนตายไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาก็ฟังสารูไว้นะเผื่อว่าบางครั้งในชีวิตในอนาคตข้างหน้ามันจําเป็นอ่ะมันมันเดือดร้อน จำเป็นมันจะได้ใช้ได้นะตอนนี้อยังยังไม่เอาก็ฟังพันหัวไว้ก่อนนะไม่ต้องลังเกียจอะไรไม่ได้บังคับไม่ทํานะนั่นแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ได้บังคับไม่ทานะดีท็อกใครยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องทํำกัวซาอยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะในเนี้ยแม้แต่น้ำประวัติว่า แต่ใครไม่พร้อมที่จะใช้ก็ยังไม่ต้องยังไม่ต้องใช้นะครับแต่ว่าเอาใครพร้อมจะลองก็ได้ครับน้ำปัสสาวะเนี่ยเป็นน้ําเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสมุนไพรที่มีพลังชีวิตเป็นยาที่มีพลังชีวิตอนุญาตทำจัดไว้ในจักตาริสูตรว่าน้ำปัสสวะเป็นยาเป็นเภสัตชที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษทันตัดไว้อย่างนี้เลยนะครับไปเปิดดูได้ในพระไตรปิฎกจักตาริสูตรนะ อะไรก็ตามที่พระเจ้าท่านไม่มั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติท่านจะไม่ตัดเอาไว้ท่านจะไม่บอกให้ใช้หรอกแต่นี้พระเจ้าท่านส่งเสริมเลยท่านส่งเสริมเลยท่านบอกสาวกของท่านสาวก ท, ที่ดีีจะต้องเนี่ยนะจะต้อง ใช้ปัสสาวะนเป็นยาไหมกินปัสสาวะใช้ปัสสาวะเป็นยานะท่านตอบได้ว่าปัสสาวะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษครูบาอาจารย์เองนะครับพ่อท่านของพรพธิรัตษ์ก็เหมือนกันนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็ใช้ปัสสาวะนะท่านดื่มปัสสาวะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะครับแทบทุกวันแหละนะครับดื่มเช้าแก้วเย็นแก้วประมาณนี้นะครับประมาณ2 0 0ซีซีเช้าสอ0ซีซีเย็นสซีซีเช้าแก้วเย็นแก้วท่านท่านก็อว่าแบี้เนาะ้ท่านก็แข็งแรงใช่หมว่าใจดูสิที่เราให้ฟัง่คน70กว่าปีว่า แข็งแรงเท่าตัวคนอีย30ปีสมองมีปริภาพเท่าัคนอายุ40ปีะนะมันไม่ธรรมดาเลยนะแล้วท่านก็บอกว่าเอ๊ะดื่มแล้วมันรู้สึกว่ามันดีท่านก็ว่ามันมันมันมีพลังที่มันเป็นประโยชน์อยู่นะครับท่านก็รู้สึกงั้นนะครับนันนี่พอท่านกาลังให้ฟังนะว่ามันดีนะครับ แล้วกท่านก็เล่าบางคนอื่นๆใช้ก็เห็นใครใช่ก็ดีเท่านั้นเลยไม่เห็นมีโทษสักลายเลยเนี่ยมิได้มีประโยชน์คนเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดั น, เ ป, น, น, นเป็นนุ่นเป็นนี้อาการก็ทุเลาลงนะครับท่านก็บเอ๊เก็บข้อมูแล้วก็มีได้คนได้ประโยชน์จากน้าปัสสาวะแล้วพรเจ้าตัดไว้นะเอ๊ะทานเรียนตั้งแ0 0 0 0นตั้งสมัยท่านก็ต้องชัดแล้วหลักเกิดชาติไหนก็เรียนชาติไหนก็เรียนชาติไหนก็เรียนตัานก็ชัดแล้วว่ามันเป็นประโยชน์นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็พยายามใช้นะเอ้ะก่อนก่จะว่าผมเองเดี๋ยวนี้เขาเขาพบสารอินเอออรร์ฟนนยู่้ําปัสวะ สารต้านมะเร็งสารสั้างภูมิบัณฑ์ในร่างกายอยู่ในน้ำปัสสาวะแล้วก็พบ ว, วิตามินในน้ำปัสสาวะเยอะมีการวิจัยต่งตางๆของต่างประเทศของในประเทศนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลพวกนี้แล้วพบ ว, ว่าน้ำปัสสาวะเป็นประโยชน์ช่วยจะไม่เซลล์แข็งแรงขึ้นนะช่วยลดโรคไข้ไขเจ็บอยู่หลายโรคยางผมเองก็ใช้เป็นประจำส่วนใหญ่ผมก็ทานทุกวันและนะชเช้าเย็นชเช้าเย็นกสั์เช้าเย็นชเช้าเย็นตื่นชเช้ามาก็กินเข้าไปนะกินเข้ามาอา้าวมันยังพอเหลืออยู่ก็กมาหยอตานะ้ามือจุ่จๆมๆราเมงสัตว์หยอดตายอ อาเสร็จมาล้างหน้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าเสร็จมาเช็ดหัวนะพอเราใช้หัวเยอะนะเช็ดหัวเสร็จมาเช็ดคอพูดมากตรงไหนที่ใช้มากๆเลยมันส่ายก็จะเช็ดคอนะก็ทำอย่างเงี้ยนะครับตอนเย็นก็อาบน้ํานะอาบน้ําก็อ้าวน้ามันทวาสระผมหมัดผมเลยสระผมหมักไว้นะเสร็จแล้วก็ อพออาบน้ำไปประมาณหนึ่งนะเราก็ปัสสาวะหมักไว้นะแล้วก็ใช้ปสัสสาวะแทนสบู่เลยนะครับทานทั่วๆกะใช้แทนสบู่ไปเลยนะมันสดชื่นดีนะสบายดีมันมีพลังชีวิตน้ำปัสสาวะมีพลังชีวิตมีครั้งหนึ่งนะผมเนี่ยนะเดินชนลวดนะโอ้เป็นแผลในคิวเนี่โอ้ทรมานปวดทรมานไม่รู้ทาไงนะพฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีปวดทรมานมากเลยเป็นแผลก็เลยเอาปสัสสาวะมาทา ถ้าปุ๊บอาการปวดทุเราภายในห้าวินาทีมันเร็วมากเลยนะแล้วมีครั้งหนึ่งนะจอบขุดไปไปขุดดินนะจอบโดนเท้าตัวเองโดนนิ้วโป้งตอนอบรมพนัก ง, งานทศกศโอ้เข้าไปลึกเลยนะแล้วแผลนํนาปวดทรามานอะ่ะผมก็นํปาปัสสาวะใส่นะครับเพราะน้ำปัสสาวะใส่อาการปวดทรมานลดภายในห้าวินาทีเลยมันเร็วมากนะเร็วมากเลยแล้วมีครั้งหนึ่งก็เป็นน้องเดีนี้เป็นน้องนะ่ะที่เท้าเป็นน้องนะเป็นตุ่มน้อง อักเสบติดเชื้อผมมาน้ำปัสสวะล้างอาการอักเสบหายเร็วมากไม่กี่วันอาการอักเสบก็หายเออเราก็พบอกว่าเป็นยาปฏิชีวนะชนดีเป็นยาปฏิชีวนะชั้นดิดเวลาผมเทเรียรละลาระหว่างวันนี่นะ ผมจะก็จะดื่มน้าปัสสาวะผมดื่มเช้าเย็นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่นนั้ในระหว่างวันเนี่ยถ้าถ้าไม่สบายปุ๊บเนี่ยถ้าเช่นบรนยายมากๆแล้วมันเริ่มเพียเริ่มล่านะผมก็จะบอกลูกศิษย์อ้าวไปะะวะดื่มน้ำปัสสาวะพักดื่มน้าปัสสาวะผมบอกลูกศิษย์เราก็ไปสัดของเราั <c oughs> ดื่มน้ําปัสสาวะมันจะรู้สึกสบายจะมีกําลังมันสดชื่นกว่าน้ำเปล่าดื่มน้ำปันะำปะสสาวะมันสดชื่นกว่าดื่มน้ำเปล่ามันสบายมีพลังชีวิตดื่มปุ๊บจะมีพลังชีวิตทันทีเลยนะครับมันมันแปลก หรือเกิดอาการไม่สบายขึ้นเช่นมึนหัวปวดหัวปวดท้องหรือไม่สบายอะไรต่างๆใ น, นระหว่างวันนะผมจะดื่มน้ำปัสวัสดิเลยพอเรื่องไม่สบายปุ๊บจะดื่ม ท, ทันทีเพราะ ผมสังเกตหลายครั้งจับอาการได้ว่าเวลาเริ่มไม่สบายปุ๊กนี่แล้วเราดื่มน้ำปัสสวะมันจะหายเร็วทันทีเลยอาการจะทุเราเร็วหรือหายไปก็จับได้อย่างนี้เราก็เลยดื่มมันทั้งวันแหละบางทีนะถ้ามันเริ่มไม่สบายก็ดื่มถ้ามันสบายก็ไม่ไม่ต้องไปดื่มมันก็ดื่มเชาวเย็นเชาวเย็นชาวเย็นถ้าถ้าสบายดีไม่ถึงเชาวเย็นแล้ถ้าไม่สบายก็ดื่มระหว่างวันด้วยนะครับแล้วยิ่งผมก็ฝึกกินข้าววันละมื้อนะโอ้ยังไม่ได้เก่งล่ะฝึกมาเมันจะได้สิบกว่าปีฝึกกินข้าววันละมื้อนะเออบอกฝ คนละเมื่อในบางทีตอนเย็นก็หิวเหมือนกันนะแค่จะกินอะไรนะที่มันจะให้พลังชีวิตสูงสุดให้ความอิ่มให้วิตามินให้ธาตุอาหารนะก็นึกถึน้ำปัสสาวะแหละนะหิวมากกินน้าปัสสาวะหิวมากกินน้ำปัสสาวะมีพลังขึ้นมาทันทีเลยนะดื่มปุ๊บมันก็ัดชื่นสบายนะแล้วเวลาเดินทางมันะจะบอกให้เวลาเดินทางเรไม่ต้องไปซื้อกาแฟให้มันใช้ตังหรอกกาแฟที่ดีที่สุดคือน้าปัสสาวะเนี่ยผมเวลาง่วงๆนั้นเดินทางไปมันเพลียๆมันง่วงๆปุ๊บเราก็แวะปั๊ม ปามเสร็จนะฮะภาชนะอะไรไม่ได้กับมือเราเนี่แหละนั่งเที่ยวมัโล่งแล้วก็วักเข่าปากวักเข่าปากด้วยมือเราดิแล้ววักเข่าปากกินโอ้สดชื่นนะโล่งขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าล้างหัวโอ้สดชื่นเรียบร้อยไม่ต้เสียค่ากาแฟะะต้มเองเลยนี่กาแฟที่ดีที่สุดคือน้ำปัสสาวะสดชื่นสบายไปได้เหงียนยาวจริงจรจริงๆรนี่ไม่ได้พูดเล่นนะมันเป็นเรื่องจริงมันมีพลังชีวิตทีนี้เราก็เห็นว่าปัสวะเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยครูบาอาจารย์ น, น้องต้อพูดถึงคร อาจารย์นะจริงๆแล้วนั่นคืออาจารย์ผมท่านหนึ่งนะท่านเป็นมะเร็งท่านเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับเสร็จแล้วท่านหายจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยการดื่มน้าปัสสาวะนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นแพทย์แันไทยอยู่ที่บุรีรัมย์ท่นหายจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยการดื่มน้าปัสสาวะและผมเจอคนไข้หลายๆคนร่างกายดีขึ้นด้วยการดื่มน้าปัส อาการนั่นอาการนี้มะเร็งบั่งปูนแ พ, พร่บ้างผื่นคันเนื่องอกอะไรต่างนะสารพัดเรื่องนะครับเราเห็นเข้าดีขึ้นด้วยการดื่มน้าปสัสวะสารพัดโรคอะ่ะนักทุกโรคเลยเราเห็นหลายหลายคนดีขึ้นนะครับมังผื่นคันมีแค่เอามาทานก็ลดได้แล้วนะเอาน้าปสัสสาวะมาทาผื่นคันหรือปวดไม่สบายที่ไหนมาทาลดได้นะครับ หรื อ, อาตาแดงแสบตาเี่ผมเคยเจ็บตาแสบตาหย่อด น, น้าปัสสาวะนึงมั น, ด, น, น, นดีขึ้นเร็วยห ย, ย่อนน้ำปัสสาวะดีขึ้นเร็วแล้วหมอเมดคนไข้หลายคนหย่อนน้าปัสสาวะส่วนใหญ่จกมีปัญหาไม่สบายที่ตาจะดีขึ้นภายในหนึ่งถึงสวันดีกว่ายาปฏิชีพนะที่ผมจ่าย ครับคือว่อนผมจ่ายยาไปดูชีวิตนั้นนะห้าวันเจ็ดวันมั้นดีขึ้นอนะ่ะเก็บตาแสบตาอักเสษที่ตาอะไรต่างๆกันนะก็จ่ายยาหยอดตายาหยอดยากินเข้าไปเจ็นห้าถึงสิบห้าถึงเจ็ดวันมันจะเริ่มดีขึ้นบ้างบางคนยังไม่ดีขึ้นด้วยซ้ำแต่พอเจอ พอหยอดนะ้ำปัสสาวะนะเจอคนไขหน้หนักๆกว่าที่เราเคยเจออีกนะกว่ากว่าที่เราจ่ายายาอีกนะตอน้องบอกว่าคนไข้ฟื้นเลยภายในห น, นึ่งถึงสามวันใครเจ็บตาแสบตาเชิงตาเนี่ฟื้นเร็วนะครับเราหยอดน้าปัสสาวะเข้าไปหยอดน้ายิ่งใครมีน้าไอ้สกัดยานางเข้าไปด้วยสองแรงบวกก็ยิ่งหายเร็วนะครับใครมีปัญหาที่ตานะี่ยใช้สองแรงบวกเลยนะครับจะหายเร็วอันะนี้มันจะรวดเร็วนะมันมันแปลกดีนะเจามีประสบการณ์อย่างนั้นว่าพบว่ามันมันเป็นอย่างนั้นนะครับ มีครูบาอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะท่านท่านเป็นนักบวชนะเป็นสมณาท่านก็ทุดงงมานี่แหละท่านก็มาเยี่ยมที่ศูนท่านบอกว่าก่อนจะมาถึงนี่นะ กอจะมาถึงนี่ปรากเว่าวัยรุ่นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์แห่โค้งคนะเอ่อแล้วก็สลบเลยเลือดไหลไม่หยุดมันสลบเลยนะท่านก็รูเลยช่วยยังไงกันยังไงดีวะเอาขิงนั่นๆั้นนั้นมาสะบัไปกรอกปานเพรากรอกปากนยเขาก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาฟื้นมาเสร็จแผลมจะทําไงกันแล้วเอาดําตะกรันลูกไปเลยตรงแพลตรงเลือดไหลไ่หยุดแต่เลือดก็หยุดนะแปกมากเลยเนี่ยก็ดีขึ้นนั้นก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็เด็กก็ดีขึ้นฟื้นก็พาส่งโรงพยาบาลต่อแต่ก็ดีขึ้นนครับเี่ย คนโบราณนะเวลาตกต้นไม้นี่นะเขาก็ตกต้นไม้ควายขวิดกระแทกอะไรต่างๆที่กระทบกระแพทกกันนะให้เกิดการบาดเจ็บเขาจะให้ดื่มน้ําปัสสาวะไม่ใช่ของตัวเองนะของคนอื่นนะแล้วคนจะฟื้นเลยนะครับอันนี้สําคัญคนโบราณคนไทยนี่ก็ดื่มมานานแล้วใช้ปัสสาวะมานานยิ่งท่านเองก็อาจจะเคยกินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้นะรู้ไหมเด็กๆนะเวลาเป็นฝ้าเวลาเราเป็นฝ้าลิ้นเป็นฝ้าลิ้นป็นแผ ล, พ, ล พ, พ่อแม่สมัยก่อนจะให้ทําไง คนโบราณให้ทำไงเอาผ้าอ้อมจุนะ่อออมน้ำปัสสาวะแล้วเช็ดเอาผ้า อ, อ้อมจุ่มน้ำปัสสาวะแล้วเช็ดแล้วหายไหมหายหายเร็วด้วยหายเร็วด้วยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะปัสสาวะมันยอดเยี่ยมจริงนะถ้าอาจจะโดนกวาดมาแล้วเป็นเด็กก็ได้กนะินมาแล้วเป็นเด็กก็ได้แม้ทำเป็นลังเกียจ <c oughs> โดนเปนเด็กก็ได้ซัดเป็นเด็กแล้วก็ไม่รูนะ้มีพระรูปหนึ่งนะท่านมาอบรมกับเรานะท่านท่า น, ท, านท่านก็มาอบรมที่นี่นะท่านปวดฟันมา ท่านปวดฟันมาท่านก็บอกปวดฟันทำไงผมก็บอกท่านทำอยู่สองอย่างแล้วท่านจะเลือกเอาเอาะไรก็ได้นะหนึ่งเอาน้มันเขียวอันธามนมันจะหายเร็ว สององมน้ำปัสสาวะไปอมไม่านานจะเกืนทิ้งก็ได้จะบ้วนทิ้งก็ได้อมไม่า น, า น, านานแล้วเกืนแล้วก็ลืกบ้วนทิ้งก็ได้อมไม่จนกว่าจ ะ, จะหายปวดนั่นแหละเราบอกท่านนะวันุ่ขึ้นท่านมาบอกนะโอ้อาตมาทําตีมากเลยท่านบอกโอ้แป๊กเดียวหายเลยแล้วก็เดา ว, ว่าท่านต้องใช้น้ํามันเขียวแน่เลยนะเออให้ทายคุณว่าท่านใช้อะไรปัสสาวะใชปัสสาวะ ผมก็ถามท่านท่านใช้อะไรท่านบอกปกัสวะยาพระเจ้ายาพระเจ้าท่านบอกยอดเยี่ยมมากเลยว่ายอดเยี่ยมมากเลยท่านบอกใช้ยาพระเจ้าแล้วมันหายปวดเลยวมากเลยโอ้อตาตมาสบายใจแล้วท่านบางเง่อเกิดปัญหามารู้แลว้วว่ายาอะไรดีที่สุดแล้วภารูปนี้แหละนะครับท่านกัมวานะเนี่ยปัสวะนี่น ะ, ปะนนะเป็นยาของพระเจ้าเลยนะเป็นสุดยอดอย่างยาเป็นยาที่เป็นคนมีกุศลจะได้กินแต่คนไม่มีบุญบารมียังไม่ได้กิน กานว่างกันนะคนที่คนที่ไม่มีวาสนาจะไม่ได้กินกันวางกันยาพระพุทธเจ้านะ่นะเนี่ยปัสวะยาของพ ร, รนะพุทธเจ้า่ะคนไม่มีวาสนาไม่ได้กินหรอกกันวางกันะแต่คนมีวาสนาจะได้กิ น, นนะคนคนยุค น, นี้มันไ่เคยมีวาสนาเนะ่มียาดีอยู่ในตัวแต่ไม่แต่ไม่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า น, นี่แหละสิ่งที่าหาได้ง่ายและไม่มีโทษอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวจะเป็นสิ่งที่ผ่าคนทุกข์เป็นประโยชน์เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์มานําปัสสวะ ก็อยากจะน่นคือเคยไม่รู้จะว่าไงนะเนื่อเอาเราเลือกอย่างหนึ่งก็ได้ครับพระรูปหนึ่งทีนี้นะพระรูปหนึ่งนั่นก็ท่านอ่าท่านมาที่นี่แล้วท่านเป็นชันตุ่ยที่หัวนะเป็นรังแคเป็นชันตู่ยแต่หัวแล้วก็คันท่านใช้ยาสระผมยี่ห้อไหนก็ไม่หายเป็นมานานระลังมานานเลยพอมาเข้าไขยเราผมก็พูดว่าผมเนี่ยผมเอาน้าปัสสาวะสระผมหมักผมไว้แล้วก็สระผมนะเป็นใช้แทนสบู่เลียวท่านก็พอฟังวันนับที่สี่นะตอนที่สี่ของ่าย ท่านก็ทำเลยนะ พอไดียิุ๊บพอท่ากระทำรุ่งเช้าท่านก็มาบอกโอ้ยเยี่ยมมากเลยท่านบังแม่น่าจะบอกตั้งนานท่านบังทำไมมาพูดวันที่สี่ท่านบังกันนี่แหละพาลุ่มนี้แหละทำให้ผมต้องพูดวันที่สองที่สามเนีเผื่อว่าบางคนจะได้รีบทําจะได้รีบรดอาการทุกข์ทรมานลงเออวท่านบอกทำไมมาพูดวันที่สี่พูดวันแรกๆก็หายไปแล้วท่านบงดีขึ้นตั้งแต่วันแรกแล้วทำไมาพูดวันที่สี่ท่านบอกผมว่าสีสามท่านดีมากเลยท่านบังกันนะโอ้มันทุเราไปเยอะเลยอาการคันอาการปวดอาการไม่สบายสารพัดอรตะไ่างอ่ะดนน้ำช เลย น, ะน้ำนปัสามันเป็นยารักษาโรคผิวหนังได้ดีนะครับเนี่ยถ้าก็าก็ใช้นะครับท่า น, นใช้สระผมท่านน่าใช้สระผมแล้วดีนี่ใครอยากผมนุ่มผมดีผมนะลดปัญหาที่หัวนี่นะเอาน้ำปัสาวะหมักไว้อาบน้ำมันจะไปทิ้งเปล่าๆไม้ไอเดียวทิ้งพวกเราเนี่ยเฮ้ยเดี่ยทิ้งทาไม อะไรโบจะแบ่งปันนะคะอ๋อจะแบ่งปันพูดทำไมสิไม่ไหานะไม่มาที่ก็ะดัจะจพูดเอามานั่งมาที่เต็นมันก็ได้นั่งแบ่งปันอ่าเอาแบบเดียวใชไถ้าเียวเราอ่ากล่องก็าจะไม่เห็นดิอ่าไม่เป็นไรค่ะอะ ค่ะก็ของหมูก็เคยมาเข้าค่ายค่ะแล้วก็ตอนอยู่ในค่ายก็เคยชิมปัสสาวะนะคะแต่ว่าไม่ได้ทานแต่ว่าตอนกลับไปที่บ้านแล้วเป็นตาแดงตอ น, นเด็กๆก็เคยเป็นแล้วหยอดตาห ย, ยอดตาด้วยยาหยอดตาตั้งหลายตัวค่ะแล้วก็เป็นอาทิตย์เลยก็ไม่หายแล้วเวลาหยอดเข้าไปมันก็จะไหลลงไปที่คอมันก็จะขมขมใช่ไหมคะแล้วก็พอครั้งนี้ก็เลยบอกว่า ให้ลองดูดีกว่าก็เลยใช้น้ำเปอระเวะล้างทุกวันเลยค่ะก็ประมาณสองวันก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็ห้าวันก็หายเลยค่ะก็บอกว่าล้างล้างมาล้หลายครั้งเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ดียังไงคือรู้สึกสบายมากเลยแล้วก็ก็ยังเล่าให้เพื่อนฟังว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันหายจริงๆด้วยค่ะเหมือนแล้วเขาเพื่งค่ะอ่า อ้าขอบคุณขอบคุณนนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะแน่ยืนยันะว่า ใช้ได้ผลจริงๆเนี่ยเนี่ยขนาดพ่อท่านนี่นะครูบาอาจารย์เนี่ยมีปัญหาที่ตาเหมือนกันแหละตอนตอนหนึ่งนะครับพ่อท่านมี่ยต้องต้องมีหมอชัางยอดมาดูแลนะเพราะว่าหมอแต่ละคนพ่อท่านก็เป็นผู้นําชาวพุทนิยมอนะก็จะมีหมอที่มือดีๆเขาสมัครใจมาดูแลพ่อท่านนะครับระดับประเทศแั้วนั่นแหละนะครับพอวันนึงพ่อท่านกระแสตาเคืองตาเนี่แหละยอดยายอดในของหมอชื่อดังไม่หายสักคนนะวันนี้ผมก็เข้าไปตรวจตรวจพ่อท่านเข้าไปตรวจร่างกายแล้วก็รู้ว่าพ่อท่านพ่อท่านก็เล่าให้ังเรื่องเคือตาเรื่องอ เราเ็นกมิกเมียนนะทำงา่า ย, ย, อ ย, อยอานปั่นาเยียวหยอกตาเนี่ยทำจะบอกยังไงเอ้เราก็กมิกเมียนก็นเลยบอกพอนันพ่นครับผมใช้ปัสสาวะห ย, ยอดตาตัวเองล้วดีแล้วก็หลายคนใช้เราดีนะพอนั่นจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่พอนนก็บอกอ้าม่เป็นไรเลยสะอาจะตายพ่นบอกนะน้ปัสสาวะนี่สะอาด กินอัตมาฉัเช้าเย็นอัตมาไม่กลัวหรอกพรท่านบอกเนี่ยอดตาทาไงพรท่านบอกมีสะอาดไม่มีน้ำอะไรสะอาดกว่าน้ำปัสสาวะหรอกเพรท่านบอกไตเรานี่แหละกองดีที่สุดเพาพระเจ้าไมใช่อัตมาก็ใช่อัตมาไม่ได้รังเกียจเพรท่านบอกเนี่ยมันเป็นน้าสะอาดพรท่านก็เลยบอกทาไงเพราะท่านก็ถามนะผมก็บอกเพราท่านมีภาชนะนะครับปัสสาวะใส่ภาชนะไว้เสร็จแล้วเราก็ล้างมือให้สะอาดนะเอามือจุ่มๆแล้วก็วางใส่หัวตาแล้วก็ลืมตาเอาแมแมบสองหยดเท่านั้นแหละ แต่เราก็หลับตาไว้กลนะองตาไปมาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองมันอาจจะแสบบ้างประมาณหนึ่งสามวินาทีอนะ่าเป็นประมาณหนึ่งถึงหสิวินาทีนะครับประมาณนี้ในบางคนอาจจะแสบบ้างบางคนก็ไม่แสบเลยหลังจากนั้นจะเบาสบายแล้วก็จะชัดขึ้นเพราะท่านก็ไปทํานะไปทำเสร็จไปเที่ยวพอนการเทศการศาลาแล้วนะมองเขียวแนะนําให้อัตมาใช้ปัสวะหยอดตา <c oughs> อาญาเราก็ว่าเป็นไงว่าเป็นไงว่าพอนก้รก็บอกว่าดีขึ้นเลยพอนว่าดีขึ้นเลย ใช้ยีห้ออื่นดังๆในประเทศไม่ดีขึ้นแต่ใช้น้าปัสสาวะแล้วดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แม่ข้า่งนี่โดนไม้เทหติหูตานะเอาน้าสกัดยานางหยอดก็ยังไม่อยู่ยังทรมานอยู่พอน้าปัสสาวะหยอดปุ๊บดีขึ้นเลยปีขึ้นเลย <c oughs> แล้วครูบาอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะท่านจะใช้กรอกนะใส่เครื่องล้างตานะ่ะเอ้ยเอ้ใส่ถ้วยถ้วยล้างตาเล็กๆกันนะแล้วมาคอดที่ตานั้นเจวกรอกตาไปมาท่านบอกว่าไอ สิ่งสกปรกมันจะออกมาเป็นยวงเลยท่านว่าท่านเด่นนะท่านสมนาะเด่นนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นยวงเลยท่านว่าแล้วตายจะดีขึ้นทันทีนะครับตามดีขึ้นมันแก้มมันแจ่มมันแจ้ง น, นะครับมันสบายมันสะอาดน้นาปัะสวัณิสอารนะครับ อนี่ก็แล้วก็น้ำผะสม น, นี้นอกจากจะใช้ถอนพิษต่างๆพวกนี้ได้นะผมก็หยอดทั้งตาหยอดทั้งหูทั้งกินทั้งทานใช่หมดเลยนะนี่เราพูดถึงการสาบผมเหมือนกันนะสาบผมนี่ก็ยังว่างนะใครอยากให้สมองดีนะต้องเอาน้ำผะสมนะมันมันจะถอนพิษจากสมองด้วยล้างหน้าไปเลยพ่อหยอดตาหยอดหูพอกหมอไปเลยนะอาบน้ำไม่ต้องทิ้งเปล่าๆ น, นะปผสวมพ่อไว้เลยนะพอกไว้เราเราสมมติเราลดน้ำลดอะไรให้มันุ่ ม, มๆหน่อยใช่ไหมแล้วเอาน้ำผะสะมหมักไว้ ล้างเลยพอเราอาบน้ําเสร็จเราก็ล่างออกสระออกเรียกสารด้วย้วยน้ํเปล่าๆก็ได้สาะด้วยน้ํายาสระผมก็ได้นะครับสระออกล้างออกนะครับเนี่ยมันจะมันขจัดพิษจากสมองเรา แตนะ่ดีกทิ้งเ ป, ปล่าๆถอนพิจิสมองตัวเองทุกวันสินะปะสัสสาวะชโลมันไว้เลยทิ้งเปล่าๆถอนพิจิสมองได้นะครับเพราะเราคนเราใช้ความคิดทุกวันแหรงนะถอนพิษได้แล้วมันช่วยให้ผิวหนังดีอะไรดีแล้วสมองดีร่างกายดีนะครับเอย่าไปทิ้งเปล่าๆแต่ละวั น, น, นนะแต่ละวันมันเสียดายนะแม่หลายคนทิ้งยาเปล่าๆเหยาทิ้งเ่ยวทิ้งบึงนะอันนี้เป็นประโยชน์นะครับก็แล้วแต่นะใครจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่เราก็เล่าให้ฟังว่ามีประโยชน์นะเอ่อครั้งนี้เนี่ย นอกจากนอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างนี้นะํามันสามารถเช็คโรคได้ด้วยนะครับดื่มปัสสาวะนี่เช็คโรคได้ถ้าปัสสาวะรดเปรี้ยวแปลว่าตับเสื่อมถ้าปัสสาวะรดขมแปลว่าหัวใจเสื่อมนะปัสสาวะรดเค็มแปลว่าไตเสื่อมปัสสาวะรดรสหวานแปลว่าตับอ่อ hmm. นเสื่อมปัสสาวะรดฝาดแปลว่ากล้ามเนื้อเสื่อมปัสสาวะรดกลมกล่อมนะ แปลว่ารถรแะรแถกลกล่อมแปลว่าอายว่าทุกส่วนเสื่อมอย่างละเล็กอย่างละน้อย <c oughs> มันเสื่อมนะ <c oughs> ปัสสาวะที่ดีที่สุดคือรถจืดหรือหอมเหมือนชาหรือหอมเหมือนน้ำมะพร้าว นี่คือปัสสาวะที่ดีที่สุดแสดงว่าเราทําความสมดุลในร่างกายได้ดีกินอาหารถูกต้องกดจุดลมปานถูกต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องนะครับปัสสาวะที่ดีที่สุดคือรสจืดเหมือนน้าหรือหอมเหมือนชาหรือหอมเหมือนน้ำมะพร้าวนี่คือปัสสาวะที่ดีที่สุดเมื่อไงอ้อ เติมๆนะในหนังสือถอนรหัสสุขภาพเขียนไว้อยู่ในหนังสือถอนรหัสสุขภาพมีนะรสต่างๆมันจะบอกรสไว้อยู่นะครับถอนรหัสสุขภาพเล่นหนึ่งคนระบอกไว้นะรสของปสัสสาวะจะอันนี้แม่นมา ก, กนะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเนี่ยปสัสสาวะเปรี้ยวแล้วก็ขมก็เปรี้ยวก็ตับเสื่อมมาแล้วนะขมเขก็หัวใจเสื่อมพอมันเป็นต่อเนื่องมันอยู่เป็นเดือนแล้วนะกินทีไรก็โอ้ยเปรียปร้ยวขมเปรี้ยวขมแล้วพลังชีวิตตกเพลียล่าทั้งเดือนเลย ไปจอเลือดตรวจ ด, ดูค่าสจทสจพทนะครับซึ่งมันจะดูตับแล้วก็ดูหัวใจได้ด้วยพวกเนี้ยนะครับมันจะสัมพันธ์กับตับต่บหัวใจ 40่สบอ่ะคาปกติมันไม่เกิน40มันปิมปิมแล้วเนี่ยมันจะอักเสบมันตับจากอักเสบจนแย่นะผมก็รีบถอนพิทรอนนะถอนพิทรอนออกไปพอถอนพิทออกไปปสัสสาวะก็เริ่มรดดีขึ้นลดดีขึ้นนะพอหอมเหมือนชาร่างกายเราก็เริ่มสดชื่นเจาะเลือดตรวจีกท้นะค่า s จวต g สจปดียี่สิแต่ก็สบายปกตินะอันนี้แหละสําคัญนะอันนี้สําคัญนี่มีอาจารย์สอนรักษาพยาบาลทหานากาศนะอาจารย์ศรีไพลบุญนะครับเีเอาให้ดูนะท่านก็มี ปัญหาเรื่องมดลูกนะครับมดลูกเนี่ยแพทย์ในปัจจุบันวินิจฉัยว่ามันเหมือนจะเป็นมะเร็งท่านบอกมันเหมือนจะเป็นมะเร็งนะาาเนื้อเยื่อโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยสูงมากนะครับโอกาสจะเป็นมะเร็งงินสูงนะครับเนี่ย เต่็แล้วท่านก็เจาะเลือดตรวจค่าตับค่าไตค่าทุกอย่างนะครับ mm hmm. เกิด อ, อะไรขึ้นรู้ไหมครับเนี่ยค่า s จ t ท g จ t ของท่านนะเพราะนั้นผมไปบรรยายที่วิเล ย, ย์พยาบาลฐานอากาศพอดีนะครับปีนี้แหละนะเราไปบรรยายพวกเนี่ยปรากฏว่าค่าเหล่านี้นะครับ s จวทนี่ 119, s ่ p t เนี่ยห้านะครับแล้วก็คาร์บอดอนะครับ200 200เนี่ยสินะครับเสร็จ mm hmm. แล้วพอท่านมาเข้าค่าย7วันนะท่านก็มาเข้าค่าย เจ็ดวันท่านตั้งใจปฏิบัติมากเลยท่านบอกชิมปะสะัสสาวะแล้วมันเปรี้ยวนะเปรี้ยวโอ้โหนั่เปรี้ยวทั้งขมทั้งเค็มท่านบอกเขาหมดเลยนะรกสารพัดนรกเห็นไหมค่าตับแย่หมดเลยปะสะัสสาวะรวแย่ปะสะัสสาวะนวจับเนี่ย ค่าแย่หมดเลยนะครับเนี่ยค่าตับตั้งร้อยกว่าห้ารอยกว่าเนีมันจะแย่น้ําจะเป็นมะเร็งตับมาแล้วเนี่ยนะครับเสร็จ แ, แล้วในพอเข้าค่ายปุ๊บเนี่ยท่านก็ปฏิบัติตัวดีนะปะสัสสาะท่านบอกลดจุดลงจุดลงแล้วก็เริ่มหอมเหม็นชาแล้วลดจืดแล้วก็หอมเหม็นชากลับไปปุ๊บท่านบอกขอข อ, ขอเจ่อเลือดตรวจได้ไหมเนี่ยท่านบอกเอาเลยท่านเอาเลยผมก็บอกอาจารย์เอาเลยเอาเลยนะครับพอท่านกลับไปปุ๊บนะ ท่านก็นจ่อเลืองต่นเลยค่า s g o จแล้วหักแสี่ค่าจ SO g p d แล 44, ้ว72ค่าคารลบอนไดออร้อยกว่า192เห็นไหมครับ ป, ปกติหมดเลยทุกค่าทุกวันนี้ยิ่งปกติหมดเลยเมื่อกีวันไปเจอกันแนละ้วท่านบอกปกติหมดแล้วนะทุกค่าเออมาาันประหลาดใจไหม เี่ยการชิมรถปัสสาวะก็สามารถเช็คโรคได้นะเช็คโรคได้อันนี้ก็สําคัญตรวจสอบโรคได้เป็นห้องหลับของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลานะีให้คนอื่นเป็นห้องหลักให้เราเราเป็นห้องหลับเป็น ต, ตัวเองเลยนะอยากรู้วมันเป็นยังไงครนะตัวหลับเองเลยเนี่ยสําคัญนะครับเนี่ยท่านก็เลยขอเอาวิชาของผมเนี่ยบรรจุเข้าไปเป็นหลักสูตรสอนนักษาพยาบาลนานอากาศ นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับแล้วผมก็ได้ท่านก็เชิญผมเป็นอาจารย์พิเศษนะไปสอนไปสอนนัาาาา่นสาปัจจุบันมาทานด้วยกันเรื่องแพทย์ทางเรื่องนี่แหละครับแพทย์วิถีพุธนะตอนนี้ท่านทําหลักสูตรเรียบนะนะร้อยแล้วนะก็ตเดี๋ยวผมได้ไปสอนไปช่วยแต่ด้วยกันนะครับผมก็บอกยินดีท่านยินดีที่จะช่วยกันนะเพราะไม่รู้จะทํายังไง เอ๊ทำไมทหารอากัดเร็วกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ไม่รู ka, uk, cioè, well. cioè, ้นะเขามีเครื่องบินมั้งนาะแต่บินเบาเลยเร็วกว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกนนียทาอากาศก็เอาก่อนแล้วทกศกเอาก่อนเองนี่พี่ไรชุมชนยังเอาก่อนเลยกระทรวงศึกษาธิการเอาก่อนเองเนี่ย ในะวิเลยชุมชนนี้ขอเป็นหลักสูตรสอนนักศึกษาแล้วนะครับเนี่ยกาลังเตรียมที่จะทาเป็นหลักสูตรสอนนักศึกษาวิลยชุมชนนะครับเนี่ยเออทำไมกระทรวงสาสุขตัวเตรียมตัวเตรียมอย่างนี้เนาะโอ้โว้โอ้โอ้โอ้โอ้วเ้โอ้โอ้เต้โย้โอ้ัก้โอนะ้โั้โอ้โอ้โอ้โอัโอนะ้โอ้โอ้่อนะนะ้โอนโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอนโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอโอ้นอ้อ้โโอ้้โ้โ้ นะแล้วคราวนี้เราจะกินจะใช้อย่างไรตรงนี้สําคัญนะถ้าใครจะทดลองกินทดลองใช้นะถ้ามันรสจืดนะเราใช้ไปเลยกินไปเลยนะกินปลาหย่อนพวหยอนตาอะไรไปเลยนะถ้ามันรสจัดนะครับให้ถ้ามันรสจัดให้ผสมน้าําธรรมดาให้เจือจางให้ปลาแรมปลาแรมให้รสปลาแรมปลาแรมจะเป็นรสที่เป็นยานะครับเพราะว่าถ้ากินรสจัดจัดก็ไปจุกกระเลยนะมันจะรสจัดเกินไปแนละ้วมันจะเป็นพิษเอามันจะเป็นพิษต่อต่อไตเอานะมันจะเป็นพิษต่อร่างกายมันรสจัดเกินไปรสที่จะเป็นยาคือ ปลาแรมปลาแรมนะครับเือง่ายง่ายนะรถปลาแรมปลาแรมนะมันเป็นเหมือนวัคซีนทําไมน้ำปะสะัสสาวะมันเป็นยานะมันเป็นเหมือนวัคซีนนั่นแหละน้ปะะาปัสสาวะคือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการนะครับเวลาร่างกายเราขับออกมาปุ๊บเนี่ยนะเวลาขับออกมาปุ๊บเนี่ย แล้วเรากินขับเข้าไปร่างกายก็บอกเอ้ยน้ำมันมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเอาเข้ามาทมําไมออกไปเมื่อกี้นะธรรมชาติของร่างกายในเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเนี่ยให้ตื่นตัวหรือผลิตเม็ดเลือดขาวให้มากขึ้นหรือให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นตื่นตัวขึ้นแล้วเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมมีหน้าที่สลายสิ่งแปลกปลอมเขาจะไปโอบแล้วก็หลัเกเอนไซม์มาสลายเขาเรียกว่ากระบวนการฟากโกไซโทซิสนะครับเพราะงั้นเวลาเรากินน้าประจวบเข้าไปมันเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการ เป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการปุ๊บกินเข้าไปอีกนะคือเป็นสิ่งที่ร่างกายขับออกมันเกี้ยวอา้าขับออกมัเกี้ยวเข้ามาทําไมออกใจนะอุย้ยออกไปควนั่งรนะนะสั่งเม็ดเลืขาวนะโดยจะพาะเจ้าม่โคลฟังเม่ดเลืาขาวเม่ดโคลฟัไปโอบสลายเดี๋ยวนี้นะําไปโอบสลายออกนะธรรมชาติของเม็ดขาวมันไม่ได้กินเฉพาะปัสสาวะนะเนียมันไม่ได้กินเฉพาะปัสสาวะหรืมันกินสิ่งแปกปลอมทุกตัวกินเซลล์มาเร็กินเชื้อโรคด้วยกินเซลล์ที่ผิดปกติทุกอย่างในร่างกาย ตัวไหนที่เป็นพิษในร่างกายมเมล็ดขาวจะไปโผล่สลายและกําจัดออกหมดสลายออกกําจัดออกทั้งเนือทั้งไทยทั้งปัสสาวะทางอุจจาระทางทาวารที่ขับของเสียทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยไปกินสิ่งที่เป็นปกติตัวอื่นด้วยเซลเราก็เลยแข็งแรงนี่แหละปัสสาวาจะจึงเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะอันนี้มันทําให้มเมล็ดขาวแข็งแรง กระตุ้นให้ผลิตเม็ดเ ah, um. ลือดขาวกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงกระตุ้นให้เ <c> ม <oughs> ็ดเลือดขาวทำงานดีเพราะฉะนั้นต่อให้เราทาตรงไหนเฉยๆนะมันก็พอแค่ทาเฉยๆเช่นนั้นแหละมันก็วิ่งไปแล้วเฮ้ยสิ่งไปลกปลอมมาแล้วมาแล้วออกกรุงจียงนะมันวิ่งไปมันเลยไปรักษาเราทาที่แผลมันก็เลยไปรักษาแผลนะไม่ให้เชื้อโรคขยายไม่ให้การติกเสื้ออะไรเงี้ยนะเราทาที่ปวดมันก็ไปรักษาที่ปวดเราทาที่ไหนมันก็ไปรักษาที่นั่นเรากินมันดูดซึมไปทั่วเลยมันรักษาทั่วเลยนะอันเนี้ย ผมไม่ใช่ดีท็อกซ์ทุกวันนี้ผมใช้ดีท็อกซ์เลยนะเนี่ยผมก็ใช้ประมาณแก้วนึงหรือขึ้นแก้วนะครับแล้วผสมน้ำธรรมดานีท็อกซ์ทุกวันแหละ เพราะว่าขี้เกียจมาทำน้ำโคลโรฟินขีเกียจมาดํานั้นแล้วก็ดีอา้าวของดีอ่ะทำไมอ่ะเราใส่เข้าไปที่ลําไส้เรามันกระจายไปทั่วดีจะตายนะผมใช้ดีท็อกซ์แทนแทนแยนตาต่างๆแต่ว่าบางคนอาจจะผสมน้ำผสว่านด้วยผสมน้ำโคลโรฟินด้วยก็ได้นะก็แล้วแต่เรานะอันนี้ก็แล้วแต่เราบางคนเป็นหนักๆก็ควรจะผสมน้ำโคลโรฟินด้วยจะได้สดชื่นนะครับ ถ, ถ้าจะไปใส่เยอะเกินไปแลนะเข้มข้นเยอะไปนะมันไม่ไหวนะอโดยเฉพาะทางลําไส้ใส่เยอะไปมันจะเบีย ใส่แค่แก้วหนึ่งหรือครึ่งแก้วมันจะมีกําลังมันจุดมีจุดพอดีของมันอยู่พราะเข้มข้นไปมันจะเคลื่อนเร็วนะที่ลาไส้ใหญ่จะเคลื่อนเร็วนะครับอย่าไปใส่เข้มข้นไปใส่สักครึ่งแก้วหรือหนึ่งแก้ว น, นั่นนั้นก็เป็น น, น, น้ําโคลลีฟินนั่นนั้นหรือว่าเป็นน้ําเปล่าเงีย้ยนะครับจะดียังอย่างที่บอกวิธีการใช้เมื อ, อกี้อบอกนิดหนึ่งนะครูบาอาจารย์บอกไว้เล้นะครับว่าจริงๆเนี่ยการดื่ม น, ามน้าปัสวะเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนะนการดื่มน้าปัสวะเป็นการปฏิบัติเพะะรรื่อความพ้นทุกข์ การดน้ำปัสาวะนั้นเป็นการลดความรังเกียจในน้าปัสวะเป็นการล้างความรังเกียจในน้าปัสสาวะเพราะว่าถ้าเราเองรังเกียจน้าปัสสาวะถ้าเราดูน้าปัสาวะเราจะสบายใจไหมอ๋อ เ, เออเออเออเออเออเออเออเออ่ออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเเป็นออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออนออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเอกเออเออเออ พราะคุณยังมีอารมณ์รังเกียจน้ำปัสสาวะอยู่แต่ถ้าเราไม่รังเกียจน้ำปัสสาวะเราก็พ้นทุกพ้นทุกจากการรังเกียจน้ำปัสสาวะนะครับในการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งทําให้เราไม่รังเกียจน้ำปัสสาวนะนะแรกๆถ้าเรารังเกียจเรารู้สึกทําใจไม่ค่อยได้นะ เราก็อย่าเพิ่งกินนะเราก็เอามาแตะๆลิ้นิ่วปากไปก่อนแตะๆไปก่อนดูซิตายไมเอไม่เหตายเอ้ไม่เป็นไรเอะลองลิ้นเรียนๆดินับอะไรเี้ยเอไม่เป็นไรเนี่ยไม่เบื่อเลยนะเอ้พอพอชินๆพอได้นะเอองมๆไวก่อนก็ได้นยังไม่กล้าขึ้นมๆไว้ก่อนเลยอมบนิ้งอมบนิ้อ่าตั้งหลักได้อมไว้ขึ้นเลยดิเออึงก่อนแล้วกันอะไรขึ้นึงก่อนแล้วกันอะไรเงี้นอ่าอย่างเงี้ย้เราก็จะชินนะพอชินเท็จน้าสบายดีๆจสบายเลยเรื่องแรกๆมีจมูก Kill it! Oh. <laughs> เอาเดี๋ยวพอชินเด้อน่สบายนะอันนี้แหละนะแค่ที่สําคัญก็คือว่าผสมให้เจอจานนะถ้ารถมนปลั๊มปลั๊มผสมให้เจอจานก่อนกินก่อนหยอดตาหยอนหูนแต่ถ้าทานไม่มีปัญหาอะไรอันเนี้ยอ่ะก่อนหยอนตาหย่อนหูเจอจานก่อนแล้วก็กินในปริมาณที่รู้สึกสบายสบายแค่ไหนกินแค่นั้นนะครับครึ่งแก้วก็ได้หึแก้วก็ได้นะกินในปริมาณที่รู้สึกอิ่มสบายให้อิ่มสบายเลยอิ่มสบายๆนะนั่นแหละนะครับจะจะดีนะทานเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะหรือระหว่างวันถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบายเอา มากินมาทามาหย่อนได้นะครับอันนี้คือเท็จของนาำปัสวะนะครับอันนี้นสําคัญเฮ้ยผมชุบชีวิตคนมาเยอะนะผ ม, มาน้ำปัสสาวะหนึ่งที่เราให้ฟังผมโขงใส่ทานให้คนกินมาเยอะแล้วห ล, ลอดตายมาเยอะแล้วนะเอาน้ำปัสสาวะใส่ฐานเข้าไปหนึ่งช้อนชานกินเข้าไปเลยใส่น้ำโพลโฟินไดก็ได้น้ำมันเขียวได้ก็ได้ถ้าเป็นพิษมากๆน้ำจะถอนพิษเร็วนะครับอันนี้นเมืราไปพอกทาในจุดที่ไม่สบายเนี่ยมันลดอาการไม่สบายใด้เร็วนะครับสารพัดอาการเลยนะมีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดน้ำปัสาวะช่วยลด ทุกภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนําปัสวะนะถ้าใครจะไปทดลองใช้ดูจะได้เป็นประโยชน์ในชีวิตครับก็เล่าสู่กันฟังพอเดี๋ยวพอผมไปพูดวันท้ายเดี๋ยวก็หาว่าผมอีกนะทำไมมาพูดตันหลังทํำไมพูดตอ น, นวันแรกอะฮะพูดตั้งแต่วันแรกก็ใช้ตั้งแต่วันแรกแล้วไม่แน่นะบางคนอาจจะทดลองใช้ดูนะครับแต่บางคนไม่ลองใช้ก็ไม่ว่ากันนะ อันนี้ก็ไม่ใช่ยาบังคับนะมันไม่ใช่ยาบังคับแต่เป็นยาเสริมไม่ใช่ยาบังคับเอ่อยาบังคับแ่เป็นยาก้าเม็ดขนาดยาบังคับเรายังไม่บังคับเลยนะคะยังทากี่เม็ดก็ได้นะอันนี้ยิงไม่ใช่ยาบังคับใหญ่เลยแต่น้ามันละก็อยู่ในข้อที่หนึ่งนันแหละ นะดื่มน้ำสมุนไพนรปับสมดุลนันแหละความจริงมันเป็นยาในข้อที่หนึ่งแตนะ่ว่าถ้าใครยังไม่กล้าใช้น้ำปัสสาวะก็ดื่มน้ำคลอโรฟิลล์ไปนะดื่มน้ำสมุนไพรอื่นๆไปก็ได้นะก็แล้วแต่เราอันนี้ไม่ได้ว่ากันเนะฟังมาทานหัวไว้ครับเผื่อบางคังบางคราวในชีวิตเราจําเป็นต้องใช้เรานึกออกนะมันจะได้เป็นประโยชน์กับชีวิตต่อนอะ่ะใครอยากถามอะไรไหมตั้งน้ำปัสสาวะนะว่าไงไม่เห็นความปวดนะก็ถามว่า มีอะไรต้องเจรจาไหมคะ ยอดตานีคะเป็ยอดตาต้องเือจงอ๋อถ้ามันลดจัดไงก็ผสมน้ำธรรมดานี่แหละแล้วก็หยอดจาลจืดไม่ต้องเจือจางถ้าลดจืดไม่ต้องเจยวจางนอันนี้สาคัญต้องมีเลอดนลดจืดต้นกับตรงหางอ๋อต้นกับตรงหางจะต้องเอาตรงกลางไหมผมบกว่าเอาได้ทุกตอนนะตอนไหก็ได้แต่ก่อนผมก็เอาทำทฤษฎีเขาเอาเฉพาะตรงกลางอ่ะเดี๋ยวนี้เลยขี้เกียจกองพอนีเลยเอาทั้งหมดลองดูซิเป็นไงก็ยังดีนะยังใช้ได้ไม่เป็นไรหลายคนบอกผมป่วยอยู่ผมจะกินได้ไหมป่วยแล้วยิ่งต้องกินมันจะกระตุ้น บันทานบางคนบอกกินยาอยู่กินได้ไหมได้กินยาอยู่ก็กินได้นะเป็นประจําเดือนอได้เลยถ้าเป็นประจําเดือนเร า, ากองหน่อยบางทีมีนาประจําเดือนออกมาด้วยแล้วก็กองผ่านผ่าน อ, อะไรสําลีสัาลีเทผ่านสัาลีเท่านั้นแหละเอากลวยมาเอาสําลีใส่เทผ่านสําลีก็กินได้นะกินได้ลดโรคภัยได้ฮนะ ยอดตาแล้วต้อ ง, งออ ล, ลงตาตอง้างออกไหมคะยอดตาต้องล้างออกไหมไม่ต้องล้างออกนะยอดตาไม่ต้องล้างออกล<อ>้างหน้าก็ไม่ต้องล้างออกนะนก ล, นนนนนล้างหน้าก็มันหลายคนาบนนี้ล้างหน้ารู้ไหมว่าไอ้เครื่องสําอางชั้นยอดชดั้นยอดที่เขาใช้ทุกวันนี้นะเขาใช้ยู่เรียผสมทั้งนั้นแหละแล้วยู่เรียที่ดีที่สุดในโลก ค, คืออะไรรู้ไหมน้ำปัสสาวะนี่เราได้ได้โอ้เครื่องสําอางชั้นยอดในโลกแล้วคุณไปทิ้งทําไมมาทาหน้าเลยดีกว่าไปซื้อเครื่องสําอางเขาแพงอะ ก็ไม่ดนอ๋อมันจะมีกลิน่นไม้ไม่มีกลิ่นนะอย่าให้โดนเสื้อทาหน้าทาหัวนี่ไม<า>่ม <ips> <ส>ีกลิ่นต้องเจียจางต้องเจียจางอ๋อไม่ต้องเ จ, จียจางเราทาไปได้เลยเาทาผิวหนังนี่ไม่ต้องเจียจางก็ได้ <ผม S 1> ล้างหน้า <tangible S 1> ล้างตาอะไรางๆทีทาหัวไม่มีกลิน่น อ, อย่าให้โดนเสื้อผ้าถ้าโดนเสื้อผ้ามีกลิน่นมันแปกนะมันแปว่าทําโดนเสื้อผ้าน้นจะมีกลิ่นแต่ถ้าไม่โดนน้ำจะไม่มีกลิ่นนี่คือความประหลาดของเขาไปเป็นศูน์ได้แล้วไม่ต้องล้างออกเราทาค้างไว้เลย ทาแล้วก็ทิ้งไว้วก็ไม่ต้องล้างเราก็ไปล้างตอนที่เราอยากจะล้างออกอ่ะหม่เพราะว่าตอนที่เราล้างหน้าปกติอ่ะเราจะล้างหน้าตอนไหนเราก็ล้างตอนนั้นแหละเช่นสมมติทาตอนเช้าเสร็จแล้วไปอาบน้ําตอนเย็นล้างหน้าตอนเย็นก็แล้วไปนะหรือทาตอนเช้าเสร็จเอาตอนเที่ยงเราล้างหน้าล้างตาเราก็ล้างตอนนั้นก็แล้วแต่ก็คือล้างหน้านั้นล้างโดยธรรมชาติแต่ว่าไอ้ทาน้าปัสสาวะนี่ไม่ต้องล้างออกยกเว้นเราอาบน้ําเราสระผมอะไรนี่นะที่เราจะพอเราพอกไว้เราหมักไว้อ่ะอันนั้นเราอาบน้าเสร็จเราจะล้างออกอ่ไม่เป็นไรนั่นก็ล้างออกเลย นอกผิวหนังหน้าโดานโซดาไฟดำๆหรือว่าเป็นฝ้าได้ได้นานใช้ได้หน้านโดนโซดาไฟหรือเป็นฝ้าก็ใช้ได้นอกผิวหนัง ก, ก็ได้ทาได้ออสตอมยุะไม่ต้องเดจเอืมไม่ต้องเยียอกผิวหนังหลายคนทาแล้วดีขึ้นลองนะครับ นะเพื่อเราจะใช้บ้างมายาพระพุทธเจ้าถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าไปตัดไม่หรอกหนะว่าไงถ้าเอาไปสวนนะคะก็ผสมยังไงคะพอเอาไปสวนก็ครึ่งหนึงหนึ่งแก้วไง เราได้น้าประทอดเก็บไว้ครึ่งนงหนึ่งแก้วอะแล้วก็เออแล้ก็เติมน้าเปล่าเข้าไปครั่เตยอ๋อไม่ต้องชิมอะไรไปสวนไม่ต้องชิมอะไรหรอกใช่คึ้งหนึ่งแก้วไม่เป็นไรไปสวนนี่ไม่ต้องชิมกลจะได้ชิมอ่าโอเคนะเอาละแล้วมมีเล่กมักนะ เลือกกันหมักหมายถึงว่าหมักไว้หลายวันอะไรนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ต้องรอใช้ ส, สดๆใหม่ๆเลยถ้าจะหมักก็ถ้าจะทิ้งไว้ก็ประมาณครึ่งวันจะต้องแต่เช้าถึงเย็นนี่ก็ได้สะสมไว้เช้าถึงเย็นหรือเย็นถึงเช้าไม่สะสมได้นะสะสมเช้าถึงเย็นหรือเย็นถึงเช้านี่ ม, มันก็ยังใช้ได้ อ, อคือถ้ามันหลายวันมันก็กลิ่นฉุนนะยัไม่ไหวมันไม่ไหวใช่ใช่นะครับถ้าสมมติว่าใครมีกิ่นฉุนนะสมมติเราใหม่ๆแล้วมีกลิ่นฉุนคนนั้นมีพิษนะคนนั้นมีพิษเช็คโลกได้ ถ้ามีกินชุนมีรสจักนะแปลว่ามีพิษแปลว่าไม่สมดุลถ้าไม่มีกลิก่นไม่ฉุนหอมเหมือนชาหอมเหมือนน้ำมะพร้าวหรือจิตจืดเนี่ยอันนั้นแหละกิ่นไม่ฉุนแล้วจืดอย่างงั้นอะ่ะ เป็นสุนปสัสสาที่เราปฏิบัติตัวได้ถูกกราสุขภาพดีเราทำถูกนั่นเป็นปสัสสาวที่ดีที่สุดนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะได้แบ่งกลุ่มมาไรต่างกันนะบาเป็นกุศลทำกับข้าวกับน้ำหรือทำอะไรามที่ต่างๆกันนะคิดว่าเช้านี้น่าจะบรรยายมาขนาดนี้ก่อนโอ้ยเคดมาจะหน้าแล้วเนี่ยจะไหลเป็นมันอุษาจะลงักแมงสิบนาทีเบรกไม่ค่อยดีนะขออภัยจริงๆเบรกไม่ดีแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แมไม่เบกจะเป็นประโยชน์เอาละครับเช้านี้ไม่ท่านดีกันครับสาุครับ